อหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา แล้วก็ น, นำมาเล่าให้ฟัมิจาปรมปรากัญชา ร, ารภายหลังจากที่พระมหาเถระหรือกุญญาจงางขอเราได้รัสังขารลงไปแล้วพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระก็ได้จัดงานสลายร่างพระมหาเถระขึ้นที่วัดใหม่อย่างยิ่งใหญ่แต่ระยับง่าย ว่าเป็นการบูชาธรรมพระมหาเถระว่เป็นบุคคลที่ท่านรักและเคารพอย่างสูงสุดซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานสลายคร่างของพระมหาเถระนั้นครูวิทยาก็ได้เคยกล่าวถึงไปแล้วในเคสตี้ของน้องแบงค์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าหากแล้วงดูนักเรียนใหม่คนไหนสนใจอยากที่จะศึกษารายละเอียดตรงส่วนที่เพิ่มเติมก็ให้ไปทบทวนดูย้อนหลังจากเคสตี้ของน้องแบงค์ได้นะจ๊ะ เออมันก็มาเกี่ยวโยงกันได้เนาะเออแปลกเนาะหลังจากที่งานสลายร่างของพระมหาเถระได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วราเธอราผู้สืบท่าวิชาต่อจากพระมหาเถระก็ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสารต่อภารกิจสําคัญที่พระมหาเถระได้มอบหมายาไว้ก่อนที่ท่านจะละสัสังขารให้สําเร็จให้ได้ ถึงภารกิจสำคัญที่พระมหาเถระได้มอบหมายเอาไว้นั้นมีอยู่สามภารกิจหลักๆดังต่อไปนี้ภารกิจแรกคือการตั้งทีมทำวิชาขึ้นมาเพื่อสารงานทำวิชาต่อจากประเด็คุณหลวงปู่รพระผู้ปราบมาในพุทธันดรที่ผ่านมา ภารกิจที่สองคือการรวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องโดยพระเดชคุณหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมาภารกิจที่สามคือการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ขยายไปทั่วโลกพระทรมหาเสนาปฏิเต้ทราบถึงภารกิจสำคัญทั้งสามอย่างดังกล่าวแล้วแต่ก่อนที่ทานมหาเสนาปริยามีส่วนในบุญ และอยากช่วยแบ่งบาปภารกิจที่พระเถระได้มอบหมายจากพระมหาเถระท่านยังเริ่มคบคิดว่าท่านพอที่จะช่วยเหลือพระเถระในเรื่องไหนได้บ้างสําหรับภารกิจแรกหรือการตั้งทีมทำวิชาขึ้นเหมือนนั้นถือเป็นภารกิจหลักที่สําคัญที่สุดซึ่งท่านมหาเสนาบดีก็มีความเห็นว่า พุทธิจธรรมภารกิจนี้ได้ดีที่สุดก็มีเพียงท่านเดียวเท่านั้นนั่นคือพระเถระผู้สืบทาววิชานั่นเองส่วนอีกสองภารกิจคือการรวบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เนื่องด้วยพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาในพุทธนนที่ผ่านมาและการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนั้นตัวท่านพอที่จะช่วยพระเถระแบ่งบาวภารกิจในส่วนนี้ได้ แล้มาทมหาเสนาบดีคิดได้เช่นนั้นแต่ความที่ตัวท่านก็อยากมีส่วนในบุญแล้วก็อยากช่วยแบ่งบาภารกิจของพระเถระผู้สืบทาวิชาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่พระเถระจะได้มีเวลาในการตามทีมทําวิชาและตั้งทีมทำวิชาขึ้นมาให้ได้เร็วที่สุดโดยเหตุนี้เองท่านมหาเสนาบดีจึงได้ขันธสาขอทำหน้าที่ ช่วยเรียบรวมเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่หนึ่งด้วยในคนหลวงโปในพุทธนดอนที่ผ่านมาแล้วก็คขณาสัที่จะช่วยงานเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ขยายออกไปทั่วโลกหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีในขณาสาขอทำหน้าที่ดังกล่าวแล้วตัวท่านก็ได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย โดยเริ่มตัดจะ ก, การจัดวางระบบระเบียบแบบแผนและโครงสร้างในการทํางานภายในวัดใหม่ให้เรงตัวมากขึ้นโดยท่านได้นเอาเอาระเบียบแบบแผนที่พระมหาเถรและคุณยายจางได้วางเอาไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารมาเป็นแม่แบบในการร่างกฎระเบียบต่างๆภายในวัดใหม่ และวัฒนาเสนาบดีอร่างระเบียบแบบแผนและโครงสร้างในการทํางานภายในวัดใหม่ได้ลงตัวแบบเนียเ้ยบเสียบเป๊ะแล้วนี่นาะ <c oughs> ตัวแทนก็ได้นนาระเบียบแบบแผนชุดนี้ไปนําเสนอต่อพระเถระผู้สืบทาวิชาหลังจากที่พระเถระได้ตรวจ ด, ดูระเบียบแบบแผน และโครงสร้างในการทำงานที่ท่านมหาเสนนาบดีนำมาเสนอแล้วพระเทรซก็ได้อนุมัติและอนุโมตนาพร้อมกับชี้แนวทางในการบริหารดูแลวัดใหม่กับท่านมหาเสนาบดีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องอาหารการขบฉันที่พระมหาเทลรซได้ฝากเอาไว้กับพระเทระ ผู้สืบถาวรวิชากรที่ท่านจะละสังขานว่าอาหารการกินนี้แล้วจ้ะแต่ท่านมีความปรารถนาอยากที่จะตั้งครงทานขึ้นมาเพื่อที่จะได้เลี้ยงอาหารสาธุชนทุกๆคนที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดเพราะตัวท่านไม่อยากให้สาธุชนแต่ละคนต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอีกทั้งจะได้มีเวลาในการปฏิบัติทำกันอย่างเต็มที่ รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีอะไรใหม่เลยเนาะเพราะนั้นเราไม่ต้องอ่านต่อแล้วมั้งสนใจที่ทำให้พระมหาเถรละเหล่าญาจางเรามีความสะหนักเกี่ยวกับกเรื่องอาหารการกินของสาธิชนที่เดินทามาสั่งสมบนทิวัดเป็นอย่างมากนั้นน่ะ ทนี้ก็เป็นประโลภในยุคสมัยนั้นการเดินทางมาสั่งสมบุญทิวัดปา่าไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันนี้ที่มีทั้งรถยนต์รถไฟฟ้าเรือหรือเครื่องบินเป็ตนต้นดังนั้นการเดินทางมาสั่งสมบุญทิวัดปา่าจึงเป็นเรื่องใหญ่และต้องใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควร สำัาสาวที่ชนแต่ละคนจะต้องใช้เวลาเดินทางมาวัดป่ามากน้อยขนาดไหนนั้นนี่เราจะเอาไงจ๊ะไม่ใช่จ้ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างบ้านกับวัด <c oughs> <c oughs> ยังไม่ถึงตอนนั้นเดี๋ยวส่วน <c oughs> วน่าตรงนี้หมายถึงออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กันอยู่กับระยะทางระหว่างบ้านก็วัดก็ใกล้หรือไกลถูกต้องเนี่ยเออนักเรียนไะอ้เกง่งๆเช่นต่างหากสาธิตชนคนไหนที่มีบ้านอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆวัดสาธิตชนคนนั้นก็สามารถที่จะเดินทางไปวัดตอนเช้าแล้วกลับบ้านตอนเย็นได้ ซึงสาวที่ชนเหล่านี้ก็มักจะเดินทางมาทำบุญที่วัดป่ากันเป็นประจําในทุกๆวันพระเกรยวันที่เกิดขึ้กับวันหยุดราชการในยุคนี้นะจ๊ะส่วนสาธิี่ชนที่มีบ้านอยู่ในหุ้มเมืองไคกะไร่หรืออยู่ที่ต่างแคว้นสายชนเหล่านี้ก็จะต้องใช้เวลาในการเดินทางมาวัดป่านานนานเป็นเดือนเลยทีเดียว และเมื่อสาธิตชนเหล่านี้เดินทางมาถึงวัดป่าแล้วพวกเขาก็จะปักรถพักอาศัยอยู่ในป่าซึ่งอยู่รอบรอ บ, บริเวณวัดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึง่งเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวบุญกุศลได้เต็มที่ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังหมเมืองหรือคว้นของตัวเองเรียกได้ว่าสาธิตชนเหล่านี้ในยุคนั้นต้องใช้ความอดทน มากกว่าสาธิตชนที่อยู่ใกระไรวัดเป็นอย่างมากและในระหว่างที่สาธิตชนที่มีบ้านอยู่ในหูเมืองกระรหรืออยู่ที่ต่างคว้งก็ลองพักอาศัยอยู่ในป่ารอบๆ บ, บริเวณวัดนั้นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องอาหารการกินส่วสาธิตชนบางคนที่มีฐานะดีก็คงจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่ สาธิชนกลุ่มนี้สามารถเดินทางไปหาเสื้ออาหารมาทานจากในตัวเมืองหลวงได้ไม่ยากนักแต่สําหรับสาธิชนที่มีฐานะปานกลางพวกเขาก็จะต้องติดสเสบียงอาหารจากบ้านตัวเองที่อยู่ในหัวเมืองไกลๆหรืออยู่ที่ต่างแคว้นแล้วก็เก็บไว้อรัประทานในระหว่างที่กําลังทั้งสมบุญอยู่ที่วัดป่าแต่ที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือสาธิชนที่มีฐานะไม่ค่อยจะดี จะต้องอาศัยข้าวโคตรบาด oh. พระมาประทังชีวิตในระหว่างที่มาแสวงบุญคือ oh. จะต้องรอรับประทานอาหารหลังจากได้พระิสุสองขอบจันทร์เสร็จแล้ว oh. พระมาหาเถระเห็นถึงความลําบากในเรื่องอาหารการกินเช่นนั้นกนจะมีความปรารถนายอยากที่จะตั้งโรงทานขึ้นมา oh. เพื่อที่จะได้เลี้ยงอาหารสาธุชนทุกทุกคนที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัด เหมือนดังที่ได้กล่าบไปแล้วข้างตอนนั่นเองเมื่อพระเถระผู้สืบท่าวิชาต่อจากพระมหาเถระกับท่านมหาเสนาบดีได้ทราบถึงความตั้งจใจดี ง, งามของพระมหาเถระเช่นนั้นจึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานกันมาที่วัดใหม่ เพื่อ น, น้องถวายบูชาทําแด่พระมหาเถระด้วยความเคารพรักอย่างสูงสุดเมื่อการเวลาผ่านไปวันที่ทุกคนออกรอคอยก็มาถึงนั่นก็คือวันที่วัดใหม่ได้สร้างเสร็จลองอย่างสมบูรณ์แบบโอ้มหาสจั น, นทร์นะศสตร์สมเด็จสมบูรณ์แบบมหาสจันท์เสีงกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่พระราชองค์ใหม่ หรือพระอนุชาของพระราชาองค์ที่ออกบวชและทีมงานก่อสร้างวัดใหม่ทุกคนจะกันได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจช่วยกันสร้างวัดใหม่สําเร็จอย่างาชีวิตเป็นเดิมบันกันเลยทีเดียวตั้งแต่ตอนที่ภาพความสําเร็จของวัดใหม่ได้มันเกิดขึ้นมหาปิติจึงได้พลันบังเกิดขึ้นกับพระราชาองค์ใหม่และทีมงานทุกทุกคนที่นี้ที่เรียกว่าเลิมความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมากันเลยทีเดียว คุณยายอาจารย์ก็เราก็คอยวันเวลานี้นะส่างวัดเสร็จเมื่อไรแล้วก็จะฉลองจะฉลองวัดใหม่อีเดีวตอนที่ท่านยังแข็งแรงลยอาจารย์ยังมีชีวิตแต่ท่านก็ยังไม่ทั้งฉลองเเพราะว่าไม่เสียทักทีเนอ ะ, <ส>ะพวกก็สร้างก่อสร้างเรื่อยไป สร้างโน่นสร้างนี่ไปเรื่อยไปเลยแล้วมาถึงเวลาเหมาะสมพระราชาองค์ใหม่เหล่าพระนจรพระราจังที่ออกบวชก็ทรงกราบขออนุญาตพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระจัดพิธีฉลองวัดใหม่อย่างเป็นทางการแบบยิ่งใหญ่แต่เรียบง่าย ได้ประกาศให้ประชาชนทุกทุกคนทั้งที่เคย ร, ร่วมบุญสร้างวัดและไม่เคยได้ร่วมบุญได้มีส่วนร่วมในการนมโมตนาในบุญใหญ่ครั้งนี้ซึ่งพระเถรรัตก็ได้ตอบตกลงหรืออนุ ญ, ญาตให้มีการจัดพิธีเจริญวัดใหม่ดตามพระประสงค์ของพระราชาองค์ใหม่ทุกประการเลย<า>น่าจะพระเถรละผู้สืบทอดวิชา จากพระมหาเถระจานุมัติและนุมทนาให้มีการจัดพิธีฉลองวัดใหม่ในครั้งนี้แล้วพระเถระยังได้มอบหมายให้พระราชาองค์ใหม่เป็นต้นบุญใหญ่ในการจัดเตรียมกระบวนการเชิญพระบรมสารีริกธาตุและกระบวนการเชิญพระอธิตยาตของพระมหาเถระหรือขุนใหญ่จัดไปประฏิทฐานที่วัดใหม่อีกด้วย ซึ่ง ร, รายละเอียดเกี่ยวกับการฉลองวัดใหม่ดังกล่าวทั้งหมดนี้ครูพี่ใหญ่ก็ได้เคยกล่าวไปถึงแล้วในเคสสตดดี้ของน้องแบงค์ขณะนั้าหากลูกๆนักเรียนคนไหนสนใจอยากที่จะศึกษา ร, รายละเ อ, อยียดตรองส่วนนี้เพิ่มเติมก็ให้ไปทบทวนดูยอนหลังจากเคสสต ด, ดี้ของน้องแบงค์กันนะจ๊ะและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวัดใหม่แห่งนี้ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลาง การเผยแพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในยุคนั้นโดยในแต่ละวันจะมีสาธุชนผู้มีบุญทั้งที่มาจากภายในแควนและภายนอกแควนชักชวนหมู่ญาติและเพื่อนฝูงให้เทินทางมาสั่งสมบุญและกระพฤพิษปฏิบัตททิธรรมจิวัดใหม่แห่งนี้กันอย่างตลอดต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปเรื่อย ในช่งแรกๆสาธิชนผู้มีบุญบางท่านต่จะว่าสาธิชนที่มาใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับกฎระเบียบของวัดใหม่ก็จะมีข้อสงสัยต่างๆนานาว่าทำไมวัดใหม่แห่งนี้ถึงมีกฎระเบียบที i i ่มากมายกว่า si วัดอื่นขนาดนี i i ้ยกตัวอย่างเช่น ทำไมตอนฟังเทศฟังตามถึงห้ามพูดคุยกันก็ oh. เรามาฟังเนี่ย <laughs> ไม่ได้เชิญมาพูดนะ <Yeah. S 1> <laughs> เชิญมาฟังนลย oh. ทำไมต้องนั่งเป็นแถวเป็นแนวตามที่เจ้าหน้าที่จัดให้ก็ oh. เพื่อให้จิตใจเป็นระบบระเบียบ <Yeah. S 1> จะนั่งตามแบบตามใจฉันไม่ได้เลอ oh. ได้ใจ เลยทําไมทําอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วทาไมทำอย่างนี้ที่วัดอื่นทําได้เป็นต้นก็ไม่ใช่วัดใหม่วัดเก่าแต่เฉพาะสาธิตชนผู้มีบุญหล่อนนั้นโดยเฉพาะสาธิตชนที่มาใหม่ที่มีดวงปัญญาจะทราบถึงทิศมาของกฎ ระเบียบภายในวัดลมถึงได้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระเถระผู้สืบทบาปวิชาแล้วก็ฟังธรรมในสไตล์คลียคัดชัดเจนจากท่านมหาเสนนาบดีจะเป็นสไตล์การเทศที่มหาชนไม่เคยได้ยินหรได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนก็สงสัยต่างต่างที่ข้างขาและติดอยู่ในแจงสาธุชนเหน่นั้นก็ได้มาลายหายสูญไปเป็นปลิดทิ้งเลย ไม่เพียงแค่นั้นได้จึกสาธัตชนผู้มีบุญจะเข้าใจในธรรมะและก็วัดปฏิบัติของทางวัดแล้วพวกเขายังเห็นถึงคุณประโยชน์และอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับตัวพวกเขาเองเมื่อพวกเขาได้นําธรรมะและก็วัดปฏิบัติของทางวัดไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันอีกด้วยและที่สําคัญในเสดเมื่อสาตยชนผู้มีบุญ จะมาใหม่ได้เห็นการปฏิสันานและอรอยยิม้รมรวมถึงกริยามารยาทที่ดีงามจากต้นบุญต้นแบบฤาษาที่จริยธรรมหน้าที่เป็นผู้นำบุญหรือญาติกริยานมิตรอรุนพี่ไม่ว่าจะเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก้าพเดีไฮโซหรือประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดมาอยู่เป็นประจาด้วยกันแล้ว สาธุชนผู้มีบุญที่มาใหม่เหล่านั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและก็ประทับจิตประทับใจในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นกับไปอีกแล้วที่เหตุดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เองจึง ท, ทำให้ถึงแม้ว่าวัดใหม่แห่งนี้จะมีสาธุชนคนใหม่เดินทางมาสั่งสมบุญกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นกระทำแต่บรรยากาศการสั่งสมบุญภายในวัดใหม่ก็ลับเรียบร้อยเป็นระบบระเบียบสงบสะอาดสว่างเริ่มเย็นและเกือ้อกูลท่อการสั่งสมบุญสร้างบารมีของมหาชนผู้มีบุญอย่างสุดๆดและเมื่อสาธิชนผู้มีบุญที่มา่งใหม่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่มากเข้ามากเข้าจนคุ้นเคย ใจของพวกเขาก็เริ่มมีระบบระเบียบที่มากขึ้นไปตามลําดับประเป็นเช่นนี้จึงทําให้ในเวลาทิศสาธิชนภูมิบุญเหล่านั้นเพื่อปฏิบัติธรรมกับพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระหมหาเถระใจกองพวกเขาจึงนุ่มนวลควรกับการงานและก็สามารถน้อมไปตามเสียงนํานั่งสมาธิของพระเถระได้อย่างง่ายดาย ซึ่งก็เป็นผลนำให้สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นมีความสุขกายปฏิบัติธรรมมีหน้าตาผ่องใสสดชื่นแล้วก็มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีและก้าวหน้ายิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปอีกด้วยเออตอนสมัยสร้างวัดใหม่ๆที่นี่นะจ๊ะและก็สร้างศาลาหลังเนี้ยศาลาจตุมมาราธิกาครูปิยใหญ่คญุณยาย อาจารย์นก็มอบหมายให้สอนนำนั่งสมาธิก็นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยตอนที่มีสเตทก็ไม่ทราบข้ า, เาสเตทหายไปไหนแล้ ว, ลวนาลูกไปด้วกว่าหลวงปู่เนี่ยคอนก็เต็มอย่างเงี้ยเต็มศาลานี่มาที่เดิมอีกเนะเหมือนตอนสร้างวัดใหม่ๆแต่หลากสีสันทีเดียวเลยจ้ะหลากสีสัน ครูวิทยอยากสังเกตนั่งนั่นั่ ง, นนงแล้วก็นึกอยากจะลืมตาขึ้นมาดูเออเข้าบ่าค่อยหลับตาลาเขาเขาก็จะทำมือนี่นี่เพิ่งด่านอำนอนี่พวกที่ใส่สีสันต่างๆน่ะก็จะสอมนั่นสอมนี่อะไรก็จะคุยกัน่ะ คุยกันตอนที่เากำลังนั่งล้วนใส่สีสันนั่งนั่นเลยเ อ, อย่างนี้เออย่างนี้มีได้ซะแล้วเนอะเะพราะเชิญชวนมานั่งสร้างมาเพื่อให้มานั่งนี่นนนเนาะก็เลยตั้งกติกาเอาใส่ชุดขา ว, ขาวให้ครูใหญ่ชวนใส่ชุดขาวเลยนี่เนาะชุดขาวดีคือมันทำให้ สะอาดกายเจริญไว้สะอาดใจเจริญสุขนั่งธรรมะได้ง่ายเห็นธรรมก็ได้ เ, เร็วแล้วก็มันเลิะง่ายไมจุชกครับก็ะจะต้องระมัดระวังนี่เนาะก็ดูเออก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่ดูือเรียบร้อยแต่พอประกาศเป็นทางการกันนั้นเพบหายไปครอนหายไปกรอนสารลาเลยเลยอยู่ไม่กี่แถว สองสาเดนกลับไปกลับไปตั ark, bên, đ ơn, đ ơn ้งหลักจะต้องเป็นเดือนๆน่ะครัวเรกันนั่งรองนดูที่เจะตั้งหลักได้เร็วเออแล้วก็เขาตั้งหลักได้นะกลับมาใหม่ช่วยขาก็อเพิ่มขึ้นเบิ่มขง้นเบิ่มขึ้นจนเต็มสละจตุนี่เลยแล้วก็ ล่นลงไปด้วยชุด ข, ขาวนั้นเลยล่นไปด้านใต้ต้นไม้ใต้กรดใต้ล่มใต้เต้นใต้อะไรต่างๆเต็มหมดเลยเออในกว่าก็จะตามทันเนอะนี่แล้วก็ปืดนั้นมากับทั้งปืดนี้เลยถึงไหนแล้วล่วจะเนี่ย คุรไหมใหญ่ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ชอบเล่าความหลังพวกที่นิยมของเก่าชอบของขมนิยมของเก่าแล้วก็เล่าเรื่องความหลังนนะรู้แต่เท่าแล้วและกิติตสำนดีงานมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรม ของผู้ที่มาสั่งสมบุญที่วัดใหม่ก็ได้พ ร, รก่กระจายขจรขจอยขายายออกไปสู่ชุมชนแล้วหุ่เมืองต่งตางๆภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบทอย่างรวดเร็วจนเป็นผู้ที่สนใจและอยากที่จะมาสั่งสมบุญที่วัดใหม่กันเป็นจํานวนมากเลยนะจ๊ะเมื่อประชาชนภาในแคว้นพระราชาที่ออกบทโดยส่วนใหญ่ เกิดความสนใจและอยากที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดไวของพระเถระผู้สืบทาวิชาต่อจากพระมหาเถระมากเข้ามากเข้าจึง ท, ทำให้กระแสะการทำความดีและการประพฤติปฏิบัติธรรมได้แพร่สรพัดไปทั่วทั้งแควนและหลังจากที่ประชาชนชาวเมืองภายในแควนของพระราชาที่ออกบวชได้มีโอกาส เดินทางมาสั่งสมบุญทิวัดใหม่ของพระเถระแล้วแต่ละคนต่างก็เกิดความรู้สึกประทับใจในศีลายจารวัดอันงด ง, งามของพระวิษุสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดใหม่ของพระเถระเป็นอย่างมากนี่ก็เป็นเรื่องราวของพุทธนอนที่ผ่านมานะจ๊ะและด้วความรู้สึกประทับใจนี้เองจึงทำให้สาธุชนผู้มีบุญเหล่านั้นต่างก็เกิดความปรารถนา อยากที่จะให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยได้มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระมาเป็นชนิดสาธทชนผู้มิบุญเหล่านั้นชนิดกลับไปเชิญชวนลูกหลานหรือคนทีรู้จักให้มาบวชที่วัดใหม่ของพระเถระกันเป็นจํานวนมากนี่ไม่ค่อยมีอะไรใหม่วันเราอย่าอย่าฟังต่อมันก็ซ้าๆเหมือนเราหายใจซ้ําๆ ชีวิตในสังสารวัฏถ้าเราอ่านประไตรปิฎกเราจะเห็นว่าเออจะได้บางท่านเนี่ยจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเท่านั้นชาติท่องในเทวโลกเท่านั้นชาติใช่ไหมจ้ะระยะยาวท่านนั้นทานน<อ>่านี้เออพระเจด้านการที่ยกนี้เนี่ยจะมีหลายๆสิ่งคล้ายกับพุทธันดรที่ผ่านมา ก็เป็นไปได้นี่นะเจ้าเพราะไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัตรโดยเฉพาะผู้ที่มุ่งมั่นสร้างบุญมีจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็มักจะทําผังนั้นซ้ำซ้ำเพราะฉะนั้นทําให้พวกเราติดนิสัยทําเล็กไม่ค่อยจะเป็นกันคือทำเล็กไม่ก็อ ย, อย่าสําเร็จอ่ะนี่เนาะจะสําเร็จไอตอนที่อาคำให่าหญ่ใหญ่ใหนี่เนาะเพราะฉะนั้น ทำไมต้องตั้งสร้างใหญ่นี่เนาะเพราะงานมันใหญ่ๆใหญ่หญ <laughs> แต่ในยุคสมัยนั้นการที่ใครจะมาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระผู้สืบทอดวิชาจากพระมหาเถระนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยเพราะแต่ละคนจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองเป็นอย่างดี จะได้รับการการันตีหรือได้รับคำรับรองจากพระเถระจากท่านมหาเสนาบดีและจากพระเถระผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในวัดใหม่แห่งนั้นเสียก่อนจึงจะสามารถบวชอยู่ทวัดใหม่ของพระเถระได้ในช่วงแรกๆหลังจากที่วัดใหม่สร้างเสร็จนั้นท่านมหาเสนาบดีกดนนารทหารอาสาขอทำหน้าที่ดูแลเรื่องงานอบรมสาธิชน ที่มาขอบวอยู่ที่วัดใหม่ดิตัวท่านเองพราตัวถ้ามีความปรารถนาอยากที่จะให้พระเถระผู้สืบทอดวิชามีเวลาในการจัดเตรียมตั้งทีมทําวิชาได้อย่างเต็มที่แต่ในตอนนั้นสาธุชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระก็มีอยู่เป็นจํานวนมากอีกทั้งสาธุชนเหล่านั้นยังมาจากหลากหลายตระกูล หรือมาจากหลากหลายชนชั้นอีกด้วยไม่ไว่าจะเป็นเชื้อพระวง์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายทหารเศรษฐีเครือข บ, บดี oh. พ่อคา้าแม่ค้าหรือพวกชาว บ, บ้านทัท่วไปเป็นต้นและไม่ว่าสาธิชนที่มาขอบวชอยู่ที่วัดใหม่ของพระเถระจะมาจากตระกูลหรือชนชั้นไหนก็ตามแต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจเข้ามาฝึกอบ ร, รมเพื่อเตรียมบวช อยู่กับท่านมาหาเสนาบดีแล้วยศตำแหน่งหรือฐานะทางสงคมของแต่ละคนก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญอีกต่อไปเราทุกคนจะต้องได้รับการอบรมอย่างเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันทั้งหมดโดยท่านมหาเสนาบดีจะ ย, ยึดหลักของพระธรรมวิ น, นัยและกฎระเบียบของวัดใหม่เป็นหลักซึ่งในเชิงแร่งของการอบรมนั้น ก็เก uh, no. ิด <outgoing> ปัญหาขึ้นมาอย่างมากมายหลายอย่างเออเนาะยกตัวอย่างเช่นสาธารณกรมไฮโซบางคนเนี่ยยังติดความสะดวกสบายนี่กันพูดกันมพูดถึงพุทธนอนที่ผ่านมาเลยต้อย่าเพิ่งเป็นเหมาเลยนะคืออยากได้นอนได้นี่มาอำนวยความสะดวกให้กับตัวเอง หรือสาธาชนบังคอนก็ชอบทำตัวเป็นหัวโจก <laughs> หรือตั้งตัวเป็นพี่ใหญ่ของกรมหรือสาธาชนบางคอนกับไฟแรงเพียงแค่ช่วงต้นฟิต <laughs> <Fit S 2> และก็ฝ่อต้องเชียร์ทั้งยฟูคือฟิตฝอฟูอยู่หนึ่ง <laughs> <laughs> คือตั้งใจดีในช่วงแรกแต่ตามมาก็เริ่มย่ดหย่อนแล้วไม่ค่อยอยากจะฝึกฝนอบรมตนเอง ต้องมานั่งเชร์กันจึงจะโฟกึ้นมาเน่เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าฟิตจ้าประมานาธับดีเห็นนึงปัญหาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในการอบรมแล้วตัวท่านก็ไม่ได้วันไหวหรือย่อท้อจากการดูแลงานอบรมเลยแม้แต่น้อย ตรงขัน้นตัวท่านกลับมความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สาธุชนที่มีปัญหาและสร้างปัญหาเหล่านั้นเกิดแรงบันดาลใจอยากที่จะฝึกฝนอบ ร, รมตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเด่๋ยวถ้ามหาเสนาปอดีได้เริ่มต้นจากการทำตัวของท่านเป็นแบบอย่างอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แล้วก็ได้คำแนะนำสั่งสอนกับสาธุชนเหล่านั้นแบบมีเหตุมีผล <laughs> เพราะคอยตอบข้อสงสัยที่ค้างคาค้างคาจากสาธุชนเหล่านั้นแบบเนียบเทียบไปเหรือเคลียร์คัดในทุกๆประเด็นนี่นะจ์มหาสายนาบดี ได้ดำเนินนโยบายการอบ ร, รมดุลิธีการแนะให้ทำนำให้ดูอยู่ให้เห็นและกลับเป็นกําลังใจเช่นนั้นจึงทาให้สายชนที่มีปัญหาและสร้างปัญหาเหล่านั้นหมดปัญหาเกิด <c oughs> ความรู้สึกศรัทธานในตัวท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากอีกทั้งแต่ละคนยังอยากที่จะฝึกฝนอบ ร, รมตนเองให้ได้ อย่างท่านมาหาเสนาบดีกันด้วยคือพูด ง, ง่ายๆว่าท่านมหาเสนาบดีได้กลายเป็นไอด้นนดานในดวงใจงพวกเขาไปแล้วเมื mm ่อ hmm. สาธิชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้นมีความมุ่งมั่นในใจในการฝึกฝนอบรมตนเองเช่นนั้นจึงทํำบรรยากาศการอบรมมีแต่ความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมาก และเมื่อบรญญาการการอบรมแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นนั้นจึงทําให้สาธิีชนชุดเตรียมบวทเหล่านั้นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นไปก็เรื่อยๆตามลําดับยิ่งสาธิีชนชุดเตรียมบวทเหล่านั้นได้มีโอกาสนั่งสมาธิกับพระเถระผู้สืบทอดวิชาแล้วพวกเขาก็ยิ่งมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นไปกว่าเดิมเป็นอย่างมาก เส่บางคนก็สามารถหยุดใจจนเขาถึงพระธรรมกายได้เลยทีเดียวเออผมไปยุ่ที่การฝึกฝนอบรมตนเองเอะเนาะในแต่ละวันของการอบรมก่อนบวชนั้นสาธิชนชุดเตรียมบวชก็จะต้องไปช่วยกันรับบุญ <c oughs> ทำความสะอาดเสนาสนะตามจุดต่างๆภายในวัดใหม่ของพระเทระแต่ในช่วงเวลานี้เองสาธุชนชุดเตรียมบวชเหล่านั้น ก็จะมีโอกาสได้พบและสนทนาธรรมกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดซึ่งทั้งก็จะมารับบุญทาความสะอาดตามจุดต่างๆภายในวัดเป็นประจําอยู่แล้วเพราะเป็นเช่นนี้จึงทําให้สาธุชนยุตเตรียมบวทเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดธรรมะดีๆจากพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดอยู่เสมอเสมออีกทั้งสาธุชนยุดเตรียมบทเหล่านั้นยังมีโอกาสได้ทาความรู้จักคุ้นเคยกับพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดอีกด้วย จงกระทั่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจากสาธิตชนชุดเตรียมบวชคนไหนมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมคือผ่านการฝึกอบรมจนได้รับการกา ร, การันตีและได้รับคำรับรองจากพระเถระท่มหาเสนาบดีและพระเถระผู้ใหญ่ภายในวัดใหม่แล้วสายชนชุดเตรียมบวชคนนั้นก็จะได้รับการอนุมัติให้บวชในวัดใหม่ของพระเถระได้ ในที่สุดส่วนว่าหลังจากทีศาธจนชุดเตรียมบทคนนั้นได้รับการอ น, น, นุมัติให้บวชในวัดใหม่ของพระเถระแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังใ น, นตอนต่อไป